ทีนี้มาดูปัญญาบ้างคําที่ใช้แทนปัญญาปัญญาก็คืออะไรปัญญินรียความเป็นใหญ่คือปัญญาใหญ่มากปัญญาภละกําลังคือปัญญาอาที่ปัญญาศิกขาเรียกว่าศิกษาอันยิ่งคือปัญญาเนี่ยนะคือสิ่งที่ควรศึกษาด้วยความยิ่งคือปัญญาปัญญาก็คือความรู้โดยประการต่างๆปัญญาขันคือกองแห่งปัญญาธรรมวิจัยสัมโพชงคือการวิจัยค้นคว้าให้เห็นอริยสัจ ยานะคือความรู้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ชอบเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่บริสุทธิ์ตีรณาปัญญาที่ตัดสินตีรานะปัญญาที่ตัดสินหรือปัญญาที่ใขร้ครวนวิปัสสนาก็คือการรู้แจ้งโดยประการต่างๆมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นธรรมเมยานังก็คือยานในธรรมะที่รู้เหตุก็คือธรรมะที่รู้เหตุเนี่ยนะ อัตเถยานังปัญญาที่รู้ผลทมเมยานังก็คือยานที่รู้ในสมุทัยสัตว์กับมรรสสัตย์ส่วนอัตเถยานังก็คือปัญญาที่รู้ทุกสัตว์และนิโรสัจะอันเวเยยานังปัญญาที่รู้การดำเนินไปตามลำดับอันนี้หมายถึงปัจเจเวขณะยานเช่นว่าสมณพราหมณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะเราได้เราหนึ่งที่ตรัสรู้อริยสัจแม้สมณพราหมณ์เราอื่นในอดีตก็ตรัสรู้อริยสัจเหมือนกัน สมณพราหมณ์ที่จะมีต่อไปในอนาคตท่านเหล่านั้นก็ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะอันนี้การน้อมไปพิจารณาเทียบเคียงกับสมณพราหมณ์ในอดีตสมณพราหมณ์ในอนาคตนี้เรียกว่าอันอันวเยยานังหรือว่าอันวยายานเนี่ยก็คือยานที่คล้อยตามหรือวิปัสสนาอะไรนะปัจเจกขณะยานนั่นเอง คเยยานังเนี่ยหมายถึงยานในอริยมรรคเนี่ยนะปัญญาที่เป็นไปในอริยมรรคซึ่งทำกิเลสให้หมดสิน้นอนุ ป, ปาเทยานังปัญญาที่เป็นไปในที่สุดแห่งอริยมรรคที่สุดแห่งอริยมรรคก็คืออะไรที่สุดของมรรคก็คือผลเพราะฉะนั้นหมายอนุ ป, ปาถ้าอนุ ป, ปาเทยานังหมายถึงปัญญาในอริยผลมีโสดาปติผลเป็นต้น นะที่ทําให้กิเลสไม่เกิดอีกส่วนอนัญญาตัญญสามีตินทรียอันนี้หมายถึงปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมักแทงตลอดสัจจะที่ไม่เคยแทงตลอดมาก่อนในสังสารวัฏอันยืดยาวอันยินรียก็คือปัญญาในโสดาปฏิผลสกธาคามีมักสกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอรหัตตมักอันนี้เรียกว่าอันยินรีย ส่วนอัญญาตาวินศรีนี้หมายถึงปัญญาในอรหัตผลที่ทำกิจเสร็จแล้วจักขุคือดวงตาปัญญาเนี่ยนะวิชาคือแสงสว่างวิชาคือความรู้แสงสว่างเนี่ยนะพุทธิคือความรู้ภูริปัญญากว้างขวางประดุดแผ่นดินเมธาปัญญาที่ว่องไวอาโลกะปัญญาที่เป็นแสงสว่าง แม่บทอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสภาวะเช่นนี้ทั้งหมดนี้เป็นคําไวัยพจน์ของปัญญาอ่านนะวัยพจนนี้แปลว่าคําพูดที่ใช้แทนกันเนี่ยนะใช้แทนปัญญาส่วนอินรีห้าอินรีห้ามีอะไรบ้างอ่านะอินรีห้าคือเดี๋ยวนะอ่า เดี๋ยวนะคืออินซีห้าเป็นคำวัยพน์ของโลกุตระปัญญาคำตรงนี้เนี่ยหมายถึง อ, อ, อนัญญาตัญยสมีตินซีอัญยินรีอัญญาตาวินซีขยะยานกับอนุปาทยานเนี่ยหมายถึงห้าอย่างเนี่ยนะพวกนี้เป็นโลกุตระปัญญา ทั้งหมดหอย่างเนี่ยนะคือขยายานันุปาทยานอนัญญาตัญญสามีสินทรีย์อัญยินรียอัญญาตาวินรีห้าอย่างนี้เป็นชื่อของปัญญาโลกุตระปัญญาอย่างเดียวในศัพท์ทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยนะมีอยู่ห้าคำอะ่ะคือขยายานังอนุปาเทยานังอนัญญาตัญญสามีสินทรียอัญยินทรียอัญญาตาวินรีย่ะห้าคำนี้โลกุตระอย่างเดียวส่วน ท, ท, ที่เหลือที่เหลือที่เหลือ เป็นทั้งโลกิยะและโลกุตระสับวัยพ์ที่แทนใช้แทนคำว่าปัญญาที่เหลือนนในบรรดาคำทั้งหมดเนี่ยนับดูกี่คำทั้งหมดในนี้นปัญญินี 2. ปัญญาภละสอธิปัญญ า, าสิกขา4ปัญญา5ปัญญาขัน6ธรรมวิจยสามพศชง7จยานะสัมมาทิธิ9ตีรนาส0บ วิปัสนาสิบเม็ดเมยานัง12อัตเถยานัง13อันวเยยานังต้องอ่านว่าอันนะอันวเยยานัง14บขเยายานัง15อนุปาเทยานัง16อนัญญาตัญญสามีตินสิบเจ็ดอันยินรีบแปด อัญญาตาวินสี่สิบเก้าจักโคสยี่สิบวิชายี่สิบเอ็ดพุทธิยี่สิบสองภูริยี่สิบสามเมทายี่สิบสี่อาโลกะในทั้งหมดยี่สนะิบสี่คำเมีโลกุตระตรงตรงเลยอธิบายเป็นอื่นไม่ได้อยู่ห้าคำคืออะไรขยายานขเยายานังเนี่ยนะกับส อ, อนุปปาเทยานัง อนัญญาตัญยาัสามีตินีอัญยินีอัญญาตาวินีห้าคำนี้โลกุตระอย่างเดียวส่วนที่เหลือก็คละกันมิสกะคละเคล้ากันไปคือศัพ์เหล่านั้นเนี่ยอธิบายทั้งเป็นโลกิยะก็ได้อธิบายเป็นโลกุตระก็ได้ก็อยู่ที่ความประสงค์ของผู้แสดงว่าผู้แสดงเนี่ยมุ่งให้เอาเฉพาะแค่โลกิยะหรือโลกุตระก็ดูตามที่ต่างๆไปนี้มาดู คุณธรรมอื่นๆต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าศรัทธาพระอาตธว่ามีความเป็นใหญ่ซึ่งมีลักษณะการตัดสินเนี่ยนะอธิมโมกอันนะศรัทธาเนี่ยอธิมโมกโขใช่ไหมวิริยะปัจขะก็คือความภาคเ พ, พียรพยายามสติอุปัฏฐานะตรงนี้แปลว่าไม่เลื่อนลอยหลงลืมไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะนะไม่วินิจฉัยผิดพลาดในกุศลอกุศลสมาธิพระอาตธว่าไม่ฟุ้งซ่านไปปัญญาเพราะรู้โดยประการต่างๆ อนะันี้เรียกว่าอัฏฐะของอินทรีย์ห้าคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็ผู้ที่ศึกษาโดยชื่อชื่อคำคำเดียวอาจจะหลายชื่อเราจะได้ไม่เป็นที่ถกกันเนี่ยนะบางอย่างถ้าหลายๆชื่อเรารู้ไปที่อัฏฐะว่าอัฏฐะเหล่านั้นเนี่ยคืออะไรเราก็สามารถที่จะมุ่งหรือกล่าวถึงชื่อเหล่านั้นโดยที่ไม่เข้าใจผิดพลาดไม่งั้นก็เข้าใจ ผิดพลาดเนี่ยนะบางทีบางคนเนี่ยติดแต่ชื่ออย่างเดียวใช่โดยที่ไม่เข้าถึงสภาวะหรือบางพวกที่ไม่เข้าใจสภาวะก็เรียกชื่อที่แตกต่างกันไปจริงๆสภาวะรมอย่างเดียวนี่สามารถเรียกได้หลายชื่อด้วยกันตามตามความสามารถเนี่ยนะก็จริงๆก็เป็นไวยพ์ของสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะในทั้งหมดเนี่ยจะยกตัวใดตัวหนึ่งขึ้นก็ได้เพราะแต่ละอย่างเนี่ยสามารถ ทั้งยี่สิบสี่ชื่อเนี่ยนะเอาตัวไหนมาอธิบายตัวไหนก็ได้ทั้งหมดอันนีบางอย่างที่เขาอาธิบายธรรมะได้ก็อาศัยชื่อต่างๆเนี่ยอธิบายเรื่องนี้เอาชื่อนั้นมาอาธิบายอาธิบายเรื่องนั้นเอาชื่อนี้ไปอธิบายอย่างเงี้ยทีนี้มาดูไวยพจน์ของพุทธคุณบ้างนะมาดูเจริญพุทธคุณเพราะว่าเนติปรกรณ์อาทิตย์นี้ก็ถือวาที่สุดท้ายของเทอมนี้เหมือนกัเนเลยจะได้ไปเจริญพุทธคุณกันต่อที่ พุทธสถานพุทธสถานก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสรู้เนี่ยนะพุทธานุสตินิเทศตรงตรงของพุทธานุสติก็อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตรปุริสธรรมมาสารเถ า, าเทวมนุษสานังพุทโภภควาอันนี้เคือว่าเป็นคําตรงตรงของพุทานุสติเนี่ยนะตรงตรงเลยนะ ก็หลายท่านก็เจริญมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมเจริญแบบตรงๆว่างั้นยักย้ายมากไม่ค่อยได้อนนั้นะเจริญแบบตรงๆก็เจริญบ่อยเช่นอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวานี่อันนี้ว่าวันละหลายรอบมากนนทีนี้อารหังเนี่ยโดยแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอารหันอารหันหมายคำว่าหนึ่งไกลจากกิเลสเขาบอกว่าดูได้ยังไงว่าไกลจากกิเลสบอกรู้จากคนอยู่ใกล้กิเลสซิมเป็นยังไง แล้วจะรู้ว่าผู้อยู่ไกลเนี่ยเขาต่างจากพวกอยู่ใกล้โดยสิ้นเชิงเหมือนกันฮนะพราะอยู่ใกล้กิเลสนะ เ, เขาบอกว่าเขาแยะมาก็เป็นกลุ่มลูกโป่งอะนะถ้าเขาเป่าก็พองถ้าเขาเาเข็มมาจิ้มก็แฟบอย่างเงี้ยก็กลุ่มนั้นแนหะอันนี้พวกคนใกล้กิเลสเป็นอย่างนั้นพระอรหันต์เนี่ยกำจัดฆ่าศึกศัตรูภายในคือกิเลสหมดสิน้นพระอรหันต์เพราะหักสี่กรรมแห่งสังสารจัก ระ้าหันเพราะไม่มีความลับในการกระทำบาาัาพผ้าหันเพราะควรแก่เครื่อง Throw สกราระบูชาโดยประการทั้งปวงแต่ว่าในดีกาท่านอธิบายเพิ่มเติมว่าชื่อว่าอารหังเพราะอยู่ไกลคนเลวทั้งหลายนะอยู่ไกลคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยชื่อว่ า, าหันเพื่อผ้าหันเพราะอยู่ใกล้คนดีทั้งหลายแล้วก็ชื่อว่าพา้าหันเพราะคนดีทั้งหลายเขาไม่ทิ้งท่าน่ะยังไงท่านก็ไม่ทิ้งพระพุทธเจ้า คนดีทั้งหลายจับไม่ทิ้งใช่ไหมนี่ถึงอินเดียนะยังโอหเตรียมข้าวเตรียมสเสบียงเงนจะไปแสดงว่าคนดีนะระลึกถึงไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าเลยนะบางคนไปตั้งหลายรอบนะอาจารย์ทันติรอบที่เท่าไหร่ที่สามเลยนะนะผู้การนี่รอบที่จะเป็นที่สิบแล้วมั้งนันะนะก็ภูการไม่ยอมทิ้งพระพุทธเจ้าเลยนะไปเรื่อยๆนะไปตั้งแต่บอกว่าไปตั้งกับไปกับคุณนายสองคนสามกับลูกเล็กๆไปตั้งกับแรกๆอนะรุ่นบุกเบิ ก, บกว่า ง, งั้นนะสมัยนั้น ไปนอนมาเหน็ดเหนื่อยมากได้เที่ยวพม่าโดยบังเอิญนะก็เลยได้ไปเดียก่อนได้ไปไหว้พระเจดีย์ชเวดากองโดยบังเอิญเลยมันะ้งได้ก็ได้บินได้บินตั้งได้ไปไหว้ตั้งหลายแห่งเลยนะในครั้งเดียวกันเลยนะไปเช่าแท็กซี่ไปตลอดตลอดไปรุ่นบกเบิกสมัยโ น, น้นขอมาเชื่อว่ายังไม่เกิดนะตอนนั้นขอมานะตอนนั้นยังไม่แก่ยังไม่ตายสงสัยแก่มากแล้วชาตที่แล้วนะ ก็นั่นแหละยังไม่เกิดจริงๆทีนี้มาดูว่าชื่อว่าสัมมาอารหงอังเอโก้หนึ่งก็คือหนึ่งไม่มีการตายในภพทั้งหลายไม่มีนะเราไม่ต้องไปหาหรอกว่าท่านอยู่ที่ภพไหนไม่ต้องหาไปเจอหรอกแต่ถ้าพระอะไรนะบรมสารีริกธาตุอาจจะหาเจอเยอะนะแต่ว่าขันสีที่เหลือนี่หาไม่เจอแล้วแล้วไม่อยู่ในในคติทั้งหลายแล้วก็ชื่อว่าพราอรหันเพราะไม่มีบาปประรมทั้งหลาย ไม่มีบาปประทำโดยประการทั้งปวงและชื่อว่าผ้าหานควรแก่การชมเพราะฉะนั้นควรกับการยกย่องสรรเสริญจะชมเท่าไหร่ก็ได้ชมเไม่มีว่าไม่มีที่สิ้นสุดชมอยู่เป็นโกรปีก็ชมไม่สุดแต่ว่าเว้นว่คนปัญญาคนชมหมดก่อนนะชมสุดเหมือนกันเพราะปัญญาคนชมมันสุดอย่างเงี้ย น, นะเหมือนเที่ยวไปในอากาศเนี่ยเที่ยวไปได้เพราะว่าหมดน้ามันก่อน พระพุทธเจ้าชื sab, um, um, things, ่อว่าส yeah. ัมมาสัมพุทโธเนี uh, ่ยนะเพราะเหตุที่ทรงตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองตรัสรู้อะไรตรัสรู้อภินัยยธรรมตรัสรู้ว่าทำที่ควรรู้ยิ่งพระองค์ก็รู้ยิ่งแล้วทำที่ควรกําหนดรู้พระองค์ก็กําหนดรู้แล้วทำที่ควรละพระองค์ก็ละแล้วทำที่ควรเจริญทําให้แจ้งพระองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วทำที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอะไรบ้างล่ะจักขุ ควรรู้ยิ่งพองษ์ก็รู้ยิ่งแล้วจักขูควรกําหนดรู้พงษ์ก็กําหนดรู้แล้วจักขู่ควรละคือละฉันทราคะก็พระองค์ก็ละแล้วจักขูนิโรธที่ควรทําให้แจ้งพองค์ก็ทําให้แจ้งแล้วโพธิปัจจยธรรมสาบเจดที่จเจริญเกี่ยวข้องกับจกักขู่พงค์ก็เจริญอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้วอนุปัสนาเจ็ดในจักขู่เป็นต้นพระองค์ก็จเจริญแล้วเ น, เนี่ยเป็นต้นนะนะก็สองร้อยหนึ ca, ่งมาหมุนเอาก็แล้วกันกี่รอบดีละยอมไปหมุนมากี่รอบนะสีชั่วโมง มีบางคนไปนั่งสาทยายเป็นรอบๆเลยนะสี่ชั่วโมงอางนั้นดีแล้วไปสรรเสริญเนี่ยทีนี้ตรงนี้เขาพิมพ์ตกไปสองคำคือวิชาจารณะสัมปันโนกับสุขโตหายไปสองคำวิชาจารณะก็คือวิชาสามและวิชาแปดใช่ไหพระผู้มีพระภาคเจ้ามีวิชาสามมีวิชาแปดวิชาสามคืออะไรย่อๆก็คือละลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายและ ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นถ้าวิชา8ก็คือวิปาาัสนาญาณอิทธิวิธีปรจิตะนะแล้วก็มโนโมยิทิทิพโสต ท, ทิพจักขุระลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายแล้วก็ทาอาสวะให้หมดส่วนจารณะส5้าก็คือศีลอินทรีสังวรโพเชเนมตัญยุตาชาคริยานุโยกสัทธาฮิริโอตตะ โสตะวิรยิยะสติปัญญาปถมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุทฌานและและจตุทฌานนั่นเองจริงๆรอาจารตุทฌานตรงนั้นเนี่ยรวมถึงอรูปฌานด้วยนะเพราะอรูปฌานก็ระดับจตุทฌานเหมือนกันแต่มีอรูปเป็นอารมณ์แล้วก็คําบอกว่าด้วยอาทิ่ศัพท์ในในจารณะเนี่ยนะรวมทั้งพระสมบัตินิโรธสมบัติเข้าไปด้วยก็เป็นจารณะของพระองค์ ส่วนสุขโตสุขโตเนี่ยผู้ดำเนินไปดีหรือผู้เสด็จไปดีชื่อไปสู่ที่ที่ดีที่ดีที่สุดคืออาสังคตาธาตุคือนิพพานเรียกว่าไปสู่ที่ดีไปด้วยข้อปฏิบัติอันดีคืออริยมรรต์ไปแล้วไม่กลับมาหากิเลส ท, ที่เร็วๆอีกครั้งเนะนึ่นะทนโสดาปฏิมาจึงออกจากสกายยทิธฐิวิจิกิจฉาศีลและพัตตรา r าอย่างเด็ดขาดท่านจะไม่ย้อนกลับมาอีก ไปถึงภระสกาธาคามีพระนาคามีก็ไม่ย้อนกลับมาหาตามมราคะและปฏิฆาอีกเป็นพระทหารก็ไม่ยอมย้อนกลับมาหารูปปราคะรูปปราคะมานาอุทธจาวิชาอีกต่อไปมันท่านเป็นสุขโตไปดีแล้วทีนี้การไปของท่านไปตามมัชชิมาปฏิปทามไม่ไปแบบตามมัสุขคลิกานุโยคไม่ไปแบบอัตตะกิละมัทานุโยคไม่ไปแบบคนสัสตตทิฏฐิไม่ไปแบบอุเฉททิฏฐิเพราะท่านไปตามมัชชิมาปฏิปทาเพื่อแทงตลอดอริยสัจ ทีนี้ถ้าท่านจะกล่าวไปโดยการไปทางร่างกายจริงๆตั้งแต่เสียสงไข่แสนกลับมาแล้วเนี่ยท่านไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปดีไปเพื่อสงเคราะห์เวนัยสัตว์ทั้งหลายไปเพื่อสงเคราะห์พุทธบริษัททั้งหลายไปเพื่อฝึกเวนยสัตว์ให้ได้ตั้งแต่นหนึ่งพระองค์จารึกไปตามที่ต่างๆเลยเนี่ยนะเหตุผลหนึ่งเพื่อจะได้ให้คนพิการได้เห็น คนพิการจะได้เห็นหน้าพระองค์คนที่คนชราเป็นต้นจะได้ฟังธรรมจะได้ยินเสียงของพระองค์องค์ก็จะริกไยเขาก็จะเป็นเหตุให้เกิดสุขติโลกสวรรค์แล้วก็ไปอีกเพราะคนบางคนจะได้มีโอกาสให้ทานบางคนสูงไปกว่านั้นก็มีโอกาสฟังธรรมบางพวกสูงไปกว่านั้นก็ถึงสารณะบางพวกก็สมาทานศีลห้าศีลอุโบสถ อ่านะบางพวกก็ประพฤต์ได้บวชเนี่ยนะบวชเป็นสัมมนเนรบวชเป็นพระภิกษุบางพวกก็ได้ฌานบางพวกก็ได้โสมักผลมีโสดาปติผลเป็นต้นพระองค์ก็เสด็จไปเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์มวลเวนยสัตว์ทั้งหลายอีกสุดท้ายความหมายสุดท้ายสุขโตก็คือสุขโตคําพูดที่พระองค์พูดเนี่ยไม่มีผิดพลาดดีโดยส่วนเดียวเนี่ยนะไม่มีความหมายคำว่ า, มมาผิดพลาด น, นะเเอกสารที่แจกไปสงสัยเก็บไว้ดีเยี่ยม ทีนี้อนุตตรโภปุริสธรรมสารถิชื่อว่าเป็นสารตีผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอันยอดเยี่ยมเพราะเหตุที่ทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าดังนี้บ้างอนุตตรโภปุริสธรรมสารสิเนี่ยบางแห่งแยกกันบางแห่งไม่แยกอธิบายแบบแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้อธิบายแบบไม่แยกอนุตตรโภอนุตตรโภไม่แยกคือหมายอนุตตรโอนี่หมายถึงว่าไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยอริยะคุณทั้งหลาย อันนะั้นไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตมติยา น, านาัศนะไม่มีใครยิ่งกว่าด้วยหิริโอตะปะศรัทธาวิรยิยะสติปัญญานะสติสัมปชัญญะเป็นตนน้นนะนะก็ไล่ไปเรื่อยสุจริตสามสัมมาวิตกษามันไล่ไปอย่างเงี้ยพันพระองค์เนี่ยไม่มีใครยิ่งกว่าโดยพระคุณทั้งปวงอ่ะนะพันขนาดผู้เสมอยังไม่มีเลยจะกล่าวไปยายถึงผู้ที่ยิ่งกว่า ทุกเรื่องเลยนะท่านพูดคํานี้ตั้งแต่เป็นอะไรเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเนี่ยนะเป็นผู้เลิศเนี่ยนะตั้งแต่ประสูติเลยนะพอประสูติก็พูดเลย oh อัโคห์มัสมิอะนเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้ไม่มีพบใหม่อีกกล้าพูดเลยว่าการออกจากคันครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอันะน ซึ่งต่างจากสัตว์ทั่วไปใช่ไหมทิ้งคันนั้นนี้จะได้ไปถือเอาคันนั้นใหม่วิ่งไปจะได้ไม่กลัวไม่ได้ไม่ทันได้คันใหม่ใ น, นี่ยหนี้วิ่งกันน่าดูเลยสแสวงหาคันจากคันสู่คันซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ปุริสธรรมสาราิพระองค์ก็ฝึกฝึกบุคคลที่สมควรฝึกโดยที่ไม่ต้องใช้อาทยาไม่ใช้ศาสตราพระองค์คุริมานถือดาบไล่ฆ่าคนอยู่ดีๆเนี่ยฝึกให้มาเป็นนักบวชใช้อุ้มบาทได้อะคิดดูพระองค์เก่งขนาดนั้น ฝึกช้างพยศเนี่ยนะเงียบสํารวมปลายเป็นช้างนิ่งเลยนะเงียบเลยได้อะไม่ต้องด่าด้วยพระองค์ไม่ได้ด่าด้วยไม่ได้อะไรารักษสอนแนะนำไปบอกไปเนี่ยนะทั้นพระองค์นี่ฝึกคนดีมาเยอะนะจอมพยศอย่างสัจจการนิครนพระองค์ก็ฝึกได้ฝึกช้างฝึกม้าฝึกเดรฉานฝึกหมู่เทวดาฝึกมนุษย์ฝึกแม้กระทั่งพรมนะฝึกท้าพรมหมาพรมเนี่ยได้มันท่านเนี่ยเป็นนักฝึกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยที่สุดแม้แต่กบ พระ อ, องค์นี่สงเคราะห์กบได้นะคิดดูนะไปได้เทศให้กบได้ยินเสียงก่อนกบจะได้มีเสียงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็จุติไปเกิดในสวรรค์แล้วกลับมาฟังธรรมใหม่บรรลุเลยนะพระ อ, องค์ก็โหมีวิธีการฝึกที่พิเศษมากเลยนะอย่างบางคนนะ่ยอย่างฉัตตะมานพเนี่ยก็ไปให้เขาถึงสาระก่อนนะแล้วฉัตตมานพก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วลงมาฟังใหม่จึงได้บรรลุบางคนเนะี่ยต้องรอสองสามชาติจึงจะได้บรรลุอย่างนั้นผมก็ฝึกได้นะ สอนสอนเขาได้หมดนะนะใช้เวลาหน่อยบางคนก็ฝึกสิบกว่าปีจึงได้บางคนเนี่ยเกือบตายแล้วจึงได้อย่างไงเนี่ยนะโอ้ยบางพวกนี้ปฏิบัติอยู่จนอายุมากแล้วจึงได้บรรลุอย่างงี้นะองค์ก็ฝึกให้อะไรให้ก็แล้วแต่เขาอะนะจริงๆไม่ได้อยู่ที่พระองค์เนนะพวกเราเนี่ยโหพระองค์ฝึกจนพระองค์สิ้นพระชนนี่ยัง <laughs> ดูว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะ <laughs> ดูว่าพระาธาตุจะฝึกเราตาเร็จหรือเปล่าไม่ทราบ พวกเวไนอะไรนะพวกธาตุเวไนกฐธรรมะเวไนดูว่าธรรมะจะฝึกเราสำเร็จไหมพระธาตุจะสอนเราได้หรือเปล่าไม่ทราบอะไน ะ, ะโลกวิถูยังไม่ได้ว่าเลยนะโลกวิถูนี่รู้แจ้งโลกโลกนี่แบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ ห, หนึ่งสังขารโลกสองสัตว์วโลกและโอกา ส, สโลกสังขารโลกก็คือ โลกคือสังขารโลกคือสังขารนี่สามารถจําแนกเป็นโลกหนึ่งสองสามี่จนถึงโลก18อันนั้นโลกคือสังขารโลกหนึ่งก็คือสัพเพสตาหารติติกาโลกสองคือนามรูปโลกสคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลกหคืออุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนาภายใน6โลกเจดคือวิญญาณนิติ7โลก8โลกกระทำแปดโลก9้า สัตวว่าเก้าโลกสิบอายตนะสิบโลกสิบสองอายตนะสิบสองโลกสิบปดท่าสิบแปดเนี่ยทีนี้โลกเหล่านี้เนี่ยโลกเรารู้ยิ่งแล้วโลกเรากําหนดรู้แล้วโลกกษัมูไทยเราละแล้วโลกกนิโรธเราทําให้แจ้งแล้วโลกกนิโรธทักามินีปฏิปทาเราเจริญแล้วพ้นพระองค์จึงเรียกว่าพูดถึงที่สุดแห่งโลกเนี่ยนะพู้ถึงที่สุดแห่งโลก มันก็ในโลกแต่ละบทแต่ละบทประชุมลงอารยสัตว์ได้หมดเลยใช่ไหมลงอริยสัตว์ได้หมดเลยนี่ต่อไปว่าโลกวิทูเหล่านี้ที่พระองคแทงตลอดสังขารโลกพร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอาสาธาตุีนว่นิสรณะของโลกนะโปร่งรู้แจ้งแทงตลอดอย่างถูกต้องโดยบริบูรณ์โดยประการทั้งปวงทีนี้โลกเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่รวมแห่งเป็นที่เรียกว่าหมู่สัตว์ สัตวโลกสัตวโลกก็คือสังขารโลกประชุมกันโวหารว่าเป็นสัตวโลกสัตวโลกเนี่ยอีกในหนึ่งเขบอกว่าเป็นที่ดูผลบุญผลบาปนะเป็นที่ดูผลบุญผลบาปนะถ้าสังขารโลกชั้นเลวก็ดูแผ่นบดูผลบาปใช่ไหมสังขารโลกอย่างดีก็เป็นเออสัตวะโลกดีก็เป็นที่ดูผลบุญแต่ที่เรียกว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะผู้คล่องในโลกจึงเรียกว่าสัตว์ ติดในโลกเลยเรียกว่าสัตว์เพราะสัตว์เรียกว่าผู้คล้องคล้องในโลกหนึ่งคล้องในโลกสองคล้องในโลกห้าคล้องขันห้าคล้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะความที่เขาคล้องนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ทีนี้สัตว์เหล่านี้อยู่ที่ไหนก็ที่ใดที่อยู่ของสัตว์ที่นั่นเรียกว่าภาชนะโลกหรือโอกาสโลกไล่ต่งงางอเวจีเป็นเบื้องล่างโลกันดนรกเป็นเบื้องขวางนะนะโดยรอบเนี่ย แล้วก็ไปจนถึงพวะ ก, กับพรมในจักรวาลอันหาที่สุดไม่ได้อันนั้นเป็นโอกาสสโลกที่จริงโอกาสสโลกนี่มันอยู่ทั่วไปนะอย่างเดรฉ า, านอยู่ในร่างกายเรามันโลกไหนกันแนะ่โอกาสสโลกของเดรฉ า, านในกายมนุษย์ อ, นนอาศัยสังขารโลกมนุษย์อยู่อะไรเงี้ยนะเพราะมันมันเลือกอยากอยู่ตามันก็ไปอยู่ที่ตาในชะ่ไหมพญาบางตัวมันก็ไปไหว่อยู่ในปานะ่าในตาดวงตาเหมือนกับปลาเล่นนะ้าในตู้กระจกนะ ไวแล้วสมัยใหม่นะเจอแสงเลเซอร์ยิงตายหมดแล้วก็พวกเดรชาเนี่ยอยู่ได้ทุกขนทุกแห่งนะอยู่ในผมอยู่ในขนในเล็บในฟันในหนังเนื้อเอ็นกระดูกบางพวกก็อยู่ถึงเยื่อในกระดูกเลยแหละนะอยู่ในสมองนะบางพวกก็อยู่ในสมองนะบางพวกก็อยู่ในลำไส้ในกระเพาะในลำไส้กระเพาะนี่อยู่ยากหน่อยเพราะว่าน้ํากรดมันแรงนะก็อยู่ในลำไส้เป็นต้นนี่ย ก็อยู่ตามอยู่ที่ตับอยู่ที่ในปอดอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆ่เนี่ย น, นะก็โคจรไปเรื่อยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะนะแบ่งๆกงันอยู่ไปนะเรากินทีเนึ่ยก็ถือว่าสรับประทานเผื่อพวกนั้นด้วยไปเลี้ยงลูก<ม>เลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนมันด้วยอะไรด้วยนนะก็แบ่งๆกันอยู่ไปเนี่ยนะก็เป็นโอกาสสโลกของอบายใช่ไหมนี่ไปเห็นในรูปบางเผ่านะรูปบางเผาเนี่ย ม, มันกระดึบกระดึบกระดึบตามผิวหนังไปเลยนะ แล้วเวลาเขาเอาออกเหมือนกับเหมือนเขาเห็นเราคีิปก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเขม้นม้นโมนโม้แล้วดึงออกมานะอย่างนั้นน่ะปลดออกมามีมีมีคนหนึ่งนะมีคนหนึ่งเนี่ยไปเป็นแผลมาแล้วแมลงวันมันไข่ใส่แล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรแมลงวันก็กระไข่แมลงวันก็เป็นตัวนอนมันก็ชอนชอนชอนชอนไปอ่ะนะก็เลยมาหาหมอมาหาหมอเขาก็ให้บุรุษพยาบาลเนี่ยเอานอนออกะเวลาจับอัพมันก็ลุกเข้าไปข้างในเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็บอกว่าเขาก็ช้ำอยู่ตั้งนานก็เลยคิดได้ก็เลยไปเอายาสูบเนี่ยมาหยอดใส่มันก็เลยวิ่งหนีออกมามันวิ่งหนีออกมามันมันมันเหม็นมันมันเหม็นยาสูบมันก็เลยหนีออกมาจากจากรูในผิวหนังเนี่ยแต่อันนี้เป็นมนุษย์นายยมเ้าเล่าให้ฟังแต่ข้อมานี่ถ้าเห็นกับโคกระบื้อนี่เห็นประจํานะเห็นประจําเพราะว่ามันจะขิดกันเองมันจะขิดก้นกันอะไรกันเนี่ยมันก็มาแรงวันก็ไปไข่ใส่พอไข่ใส่มันก็ชอนช้อนชอนเข้าไปมันชอนเข้าไปลึกมากเลยนะ บริเวณเป็นกำปั้นเลยลึกเข้าไปถูกเนื้อนี่นมันก็ต้องเอาใช้โพลิดอนเนี่ยพ่นพๆน พ, น, พ, น, พ, น, พนสายนอนก็ร่วงลงมาแผลแผลแลไปหมดมก็ไม่ต้องกลัวเหงาอนะอยู่กันเยอะเนี่ยนะแกันอยู่ไป